จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสีเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะสอนให้ดำเนินชีวิตไปอย่างร่มเย็นเป็นสุขการที่เราจะอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขท่ามกลางเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายนั้นอยู่ที่การควบคุมดูแล กายวาจาใจของเราให้อยู่ในทรมนองครองธรรมถ้าเป็นรถยนต์ให้วิ่งอยู่บนท้องถนนอย่าให้แหกโค้งหรือฝ่าไฟแดงเพราะจะเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ชีวิตของเราคือการกระทาทางกายวาจาใจของเราก็เป็นเหมือนกับ รถยนต์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนถ้าเราควบคุมกายว่ า, จาใจของเราให้อยู่ในทรรนองครองธรรมอยู่ตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดำเนินชีวิตของเราก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข <c oughs> สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรา ให้เราคิดให้เราพูดให้เราทำนั้นก็คือให้คิดดีพูดดีทำดีไม่ให้คิดบาปพูดบาปทำบาปแล้วก็ไม่ให้โลกโมโทสันคืออย่าเป็นคนเจ้าอารมณ์ให้เป็นความหนักแน่นบนเหตุผลนี่คือวิถีทาง ที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขการคิดดีพูดดีทำดี <c oughs> ก็คือการคิดการพูดการกระทําด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาด้วยมูลิตาและด้วย อ, เอุเบกขาการไม่พูดการไม่คิดบาปพูดบาปทำบาป ก็คือไม่คิดทำร้ายผู้อื่นไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่ค่าผู้อื่นไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดประเวณีคือไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีบุตริดาของผู้อื่นไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้เจอไม่พูดยุยง ให้เกิดความแตกแยกสามัคคีแล้วก็ไม่เสพสุรายาเมงที่จะทำให้ขาดสติเพราะสตินี้เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมการกระทากายวาจาใจของเราให้อยู่ในธรรมนองครองธรรมเหมือนกับผู้ที่ขับขี่รถยนต์จำเป็นต้องมีสติ ถ้าไปดื่มสุราแล้วเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาก็จะไม่สามารถควบคุมรถยนต์ให้วิ่งไปได้อย่างปลอดภัยเราก็ต้องละเว้นจากการเสรจดื่มสุรายามมาไม่ว่าเราจะขับขี่รถยนต์ไม่ก็ตามเพราะเมื่อเราเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาแล้วเราจะไม่สามารถควบคุมความคิดที่ไม่ดี ที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถควบคุมการพูดที่ไม่ดีที่จะตามมาเราจะไม่สามารถควบคุมการกระทําที่ไม่ดีที่จะตามมาแล้วเมื่อมีการพูดมีการกระทําที่ไม่ดีแล้วความวุ่นวายใจก็จะปรากฏตามมาควา ม, ความเดือดร้อนเดือดอร้อนใจก็จะตามมา ความหวาดวิตกกังวลวาวุ่นขุ่นมัวก็จะตามมาตามมาตามเหตุที่เกิดจากการกระทําของเหล่านี้เองความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆจึงไม่ได้เกิดจากผู้อื่นแต่เกิดจากการกระทําของเราคือการคิดของเราการพูดของเรา การกระทำของเราเท่านั้นไม่ว่าผู้อื่นเขาจะพูดอย่างไรทำอย่างไรคิดอย่างไรถ้าเราไม่ให้เขามีอิทธิพลมามาผลักดันให้เราไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็ยังจะสามารถอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา กับทรัพย์สินของเรากับบุคคลที่เรารักถ้าเรามีสติควบคุมความคิดการกระทาการพูดของเราเราก็ยังสามารถอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะจิตใจของเรานี้จะดีหรือจะชั่วจะสุขหรือจะทุกข์นั้นอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ความคิดของเราอยู่ที่การพูดของเรา อยู่ที่การกระทำของเราไม่ได้อยู่กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมากระทบกับเราหรือไม่ได้อยู่กับบุคคลต่างๆอยู่กับการกระทำหรือการพูดของบุคคลต่างๆแต่เนื่องจากใจของเรานี้ไม่มีสติไม่มีธรรมะคือปัญญาคอยสอนใจไม่ให้ไปรับสิ่งต่างๆ จากผู้อื่นจากเหตุการณ์ต่างๆเข้ามามีอิทธิพลผลักดันให้ใจของเราไปคิดไม่ดีไปพูดไม่ดีไปทำไม่ดีแต่ถ้าเราได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้ว่าเรานั้นต้องดูแลรักษาความคิดของเรา รักษาการพูดของเรารักษาการกระทำของเราให้ดีอยู่เสมอไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ตามเช่นมีมีคนเขาด่าเราเขาทำร้ายเราเราก็ต้องควบคุมความคิดของเราไม่ให้ไปโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทไม่ให้จองเวรจองกรรม โดยให้ล้ำลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่เวรจะระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรความสงบก็จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีการจองเวรถ้าเรามีความอาฆาตไพรวาจองเวรจองกรรมใจของเรานี้จะมีอารมณ์ว้าวุ่นขุมบัวมีความรุ่มร้อน ไม่มีความสุขอยู่ไม่เป็นสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสอนใจเข้ามาระงับความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทพอความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทนั้นสงบตัวลงไปใจของเราก็จะอยู่อย่างปกติอยู่อย่างปกติสุข อย่างที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ตอนนี้เราไม่ว้าวุ่นขุนมัวไม่วุ่นวายใจไม่รุ่นร้อนใจว่าเราตอนนี้ไม่มีความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทแต่เวลาที่เกิดขึ้นมาเราต้องพยายามระ ง, งับให้ได้ต้องระ ง, งับให้ได้เพราะเป็นสิ่งที่เราทำได้อยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำ หรือเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเราทําได้เพราะพระพุทธเจ้านั้นทรงทำมาแล้วพระสาวกทั้งหลายก็ได้ทำมาแล้วท่านเหล่านี้สามารถอยู่เหนือความอาฆาตพยาบาทความโกรธเกลียดจองเวีจองกรรมท่านอยู่อย่างเป็นปกติสุขท่านไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะระ ง, งับเวีได้เมื่อเรา ไปทำร้ายผู้ที่เขาทำร้ายเราเขาก็จะกลับมาทำร้ายเราอีกก็จะเป็นสงครามที่ยืดเยื้อข้ามภพข้ามชาติไปไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราละงับปล่อยคือไม่สือโทษโกรธเคืองให้อภัยคิดเสียว่าเป็นการให้ทานกันให้อภัยทานเป็นการทำบุญใจของเราก็จะสงบ แล้วเราก็จะไม่ไปสร้างเวรไม่ไปทำให้เขาโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเขาก็จะไม่มาทำร้ายเราอีกต่อไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการชนะผู้อื่นต่อให้ชนะร้อยครั้งแสนครั้งล้านครั้งก็ตามก็สู้การชนะใจของเราไม่ได้คือชนะความโกรธความเกลียด ความอาคาดพยาบาทไม่ได้เพราะการชนะผู้อื่นนี้จะไม่ทำให้ใจของเราสงบเย็นสบายแต่จะทำให้เรามีความวิตกมีความกังวลเพราะเมื่อเราไปทำร้ายผู้อื่นแล้วเราก็ต้องรู้สึกหวาดกลัวเป็นธรรมดาเราจะอยู่อย่างปกติสุขไม่ได้แต่ถ้าเราชนะความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาท ภายในใจของเราได้เราก็จะไม่ไปทําร้ายผู้อื่นเราก็จะไม่มีความวิตกกังวลว่าผู้อื่นจะมาทําร้ายเรานี่คือตัวอย่างของการคิดดีไม่คิดทําบาป ก, ก็ต้องให้คิดด้วยความเมตตาการุณาคือปรารถนาดีอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุข ถ้าผู้อื่นมีความทุกข์เดือดร้อนถ้าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้ก็ควรที่จะช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคนที่เรารักก็ช่วยเหลือได้คนที่เราเกลียดถ้าเราช่วยเหลือได้ยิ่งเป็นบุญมากกว่าช่วยเหลือคนที่เรารักเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยากกว่านั่นเองช่วยคนที่เรารักที่เราชอบนี้ ไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่ยากมันเหมือนเดินลงเขาแต่ช่วยเหลือคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบนี้เป็นสิ่งที่ยากกว่าแต่ผลที่ได้รับนี้จะมีมีประโยชน์กว่าเพราะจะทำให้ใจของเรานั้นไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเวลาที่เราเจอคนที่เราไม่ชอบแต่ถ้าเราไม่สามารถ ช่วยเหลือคนที่เราไม่ชอบได้หรือให้อภัยคนที่เราไม่ชอบได้ทุกครั้งที่เราเจอคนที่เราไม่ชอบเราจะมีความไม่สบายออกไม่สบายใจไม่เป็นปกติสุขดังนั้นขอให้เราแผ่เมตตาหรือช่วยเหลือผู้อื่นนั้นอย่าไปเลือกคนพระเจ้าสอนว่าสัพเพสัตตา สัพเพแปลว่าทั้งหลายสัตตก็คือสัตว์คือผู้ที่มีชีวิตอยู่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานหรือเป็นพวกกายทิพย์ต่างๆทั้งที่อยู่ส่วนล่างและทั้งที่อยู่ส่วนบนให้เราแผ่เมตตาให้ไปทุกทิศทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเทพเป็นพรหมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเขาทุกคนนี้ปรารถนาความเมตตาทั้งนั้นเหมือนกับเราที่เราปรารถนาความเมตตาจากผู้อื่นเสมอเราไม่ปรารถนาความเตียดชังจากผู้อื่นเราปรารถนาความความมีไมตรีจิตจากผู้อื่น ดังนั้นการให้เมตตาการแผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งหลายจึงมีแต่คุณมีประโยชน์เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายยินดีที่จะรับกันพยายามทำตอนต้นท่านก็สอนให้เราแผ่กับคนที่ใกล้ชิดเราไปก่อนคนที่เรารักเพราะเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วหลังจากนั้นก็ให้เราแผ่ไปสู่คนที่เราไม่รัก แต่ไม่เกลียดไม่ชังพอเราแผ่ไปถึงคนนั้นได้แล้วต่อไปเราก็แผ่ไปถึงคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบแล้วต่อไปเราจะไม่มีความเกลียดชังไม่มีความโกรธแค้นโกรธเคืองกับใครเราจะอยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าเราจะอยู่กับใครที่ไหนก็ตามเพราะใจของเรานี้จะมีแต่ความสงบสุข ที่เกิดจากความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเกิดจากมุดิตาคือความยินดีต่อความเจริญต่อความก้าวหน้าต่อความสุขของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักหรือเป็นคู่ต่อสู้ของเราเช่นนักกีฬาเวลาที่เล่นกีฬากันย่อมมีแพ้มีชนะเป็นธรรมดา ผู้แพ้นั้นควรจะแสดงมุติตาจิตคือยินดีกับผู้ชนะแล้วจะทำให้จิตใจของผู้แพ้นั้นมีความสุขแทนที่จะมีความทุกข์เพราะเกิดการเพราะเกิดจากการแพ้การที่เรามีมุติตาจิตก็จะดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความแพ้ได้ <c oughs> นี่คือธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้ ถ้าเราอยากจะให้ใจของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุดเราต้องหมั่นเจริญพรหมวิหารสีคือให้คิดให้พูดให้ทำด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาณด้วยมุทิตาและด้วยอุเบกขาอุเบกขานี้ก็คือให้ใช้ในกรณีที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เช่นบุคคลบางคน อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้มีแต่จะต้องรอวันตายไปถ้าเราไม่สามารถหาหมอหายามารักษาเขาได้ให้ให้เขาหายได้เราก็ต้องเจริญอุเบกขาคือเราต้องทาใจให้เป็นกลางคือไม่เสียใจไม่ดีใจ ให้คิดว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมทงสอนให้คิดว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นให้คิดอย่างนี้เพื่อที่จะทำให้ใจของเราไม่เศร้าโศกเสียใจเวลาที่เราไม่สามารถทำในสิ่งที่เราอยากจะทำได้ เช่นอยากจะช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ใกล้าตายให้เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือหายจากความตายแต่ถ้าเราไม่สามารถทําได้เราก็ต้องปลงต้องทําใจเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรที่จะมาเดือดร้อนวุ่นวายใจมาเศร้าโศกเสียใจมาโทษตัวเองว่าทําไมถึงไม่สามารถช่วยเขาได้ เพราะเราอยู่ในโลกที่มีอำนาจที่เหนือกว่าความสามารถของเราสิ่งต่างๆในโลกนี้มีมากมายที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนาตามความต้องการของเราได้ถ้าเราไม่เข้าใจหลักนี้แเราเกิดความอยากที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่าง ให้เป็นไปตามความอยากความปรารถนาของเราเวลาที่เราทําไม่ได้เราจะเกิดความทุกข์กิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนาของเราได้เสมอ บางครั้งบางเวลาเราก็ควบคุมบังคับได้บางครั้งบางเวลาเราก็ควบคุมไม่ได้เมื่อถึงเวลานั้นเราก็ต้องรู้จักทำใจทำใจให้เป็นอุเบกขาก็คือให้ปล่อยวางให้เป็นกลางไม่ดีใจไม่เสียใจไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่ให่อยากให้เป็นอย่างนี้เพราะถ้าเกิดความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เกิดความเสียใจก็จะมาสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับตัวเราโดยไม่ได้ไปทำอะไรให้ดีขึ้นแต่อย่างใดเหตุการณ์ต่างๆก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาคนที่เขาจะจากเราไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้ไม่ว่าจะจากไปด้วยกรณีใดก็ตามจากไปเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายไป จากไปเพราะจะต้องย้ายสถานที่ไปอยู่อีกที่หนึ่งจากไปเพราะไม่อยากจะอยู่กับเราแล้ว <c oughs> เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทุกข์ทรมานใจกับการจากไปของเขาถ้าเรารู้จักควบคุมใจของเราให้เป็นอุบเบกขาให้ปล่อยวางนี่เป็นการกระทำใจที่พวกเราต้องพยายามทำให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นความเมตตก็ดีความกรุณาก็ดีมุดีตาก็ดีหรืออุเบกขาก็ดีและเราต้องทำในขณะที่เราอยู่ในเหตุการ์ไม่ใช่ทำในขณะที่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการ์เช่นเวลาที่เราอยู่บ้านไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตาสัพเพสัตตาอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตา เพราะไม่ได้มีผู้รับหาเมตตาของเรานั่นเองเราต้องแผ่ในขณะที่เราอยู่ต่อหน้าบุคคลที่เราต้องการจะแผ่อย่างนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาเวลาเราอยู่คนเดียวแล้วเราสวดมนต์แล้วก็แผ่ไปอย่างนี้มันเป็นการซ้อมเท่านั้นเองเป็นการเตรียมตัวไว้เป็นการฝึกซ้อมเหมือนนักตีลาหรือนักมวย ท่ต้องซ้อมก่อนที่จะขึ้นเวทีเวลาที่เขาจะต่อสู้จริงๆนั้นต้องตอนที่เขาขึ้นไปบนเวทีแล้วถึงจะเรียกว่าเป็นการต่อสู้อยู่ในเหตุการณ์จริงเราก็เช่นกันเวลาที่เราแผ่เมตตาในขณะที่เราไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นการฝึกซ้อมไปแต่การแผ่เมตตาที่แท้จริงต้องเกิดขึ้นในขณะ ที่เราเกิดความโกรธขึ้นมาเราไม่พอใจกับการกระทำของบุคคลนั้นเรื่องบุคคล น, นี้กับการพูดของเขาเราต้องรีบแผ่เมตตาตอนนั้นทันทีต้องไม่ถือโทษโกรธเคืองต้องให้อภัยหรือต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาให้วางเฉยว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะพูดอะไรเขาจะทำอะไร เราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้แต่เราสามารถห้ามใจของเราได้ไม่ให้หวันไหวไม่ให้วิตกไม่ให้วุ่นวายใจทําใจของเราเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยนี่คือสิ่งที่เราสามารถทํากันได้ทุกคนถ้าเราทําได้แล้วเวลามีเหตุการณ์อะไรตางๆเกิดขึ้นจะไม่มีผลกับใจของเราเลย เป็นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะใจของเรามีธรรมะคุ้มครองใจของเรานั่นเองเป็นเหมือนเกราะป้องกันกับสุนถูกยิงก็จะไม่เข้าไปถึงร่างกายของเราจะมีเกราะคุ้มกันอยู่ถ้าเรามีเมตตาการุณาโมฎิตาอุเบกขาควบคุมใจของเราอยู่ จะไม่มีความทุกข์ต่างๆเข้ามาในใจของเราได้เลยจะไม่มีความวุ่นวายความหวาดวิตกความกมังวลความว้าวุ่นขุ่น ม, มัวต่างๆเข้ามาในใจของเราได้ใจของเราจะเป็นปกติสุขอย่างเหมือนกับที่เป็นอยู่ในขณะนี้นี่คือการกระทําที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราอย่างแท้จริง ที่พวกเราไม่ค่อยชอบทำกันพวกเรามักจะชอบทำในสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจกันขึ้นมาเพราะเราถูกความโลภโกรธสันครอบงำจิตใจเป็นตัวคอยผลักดันให้เราไปกระทำในสิ่งที่เกิดโทษกับจิตใจของเราเช่นให้ไปโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ในเวลาไม่ได้ก็เกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความเสียใจขึ้นมาหรือเวลาได้อะไรมาแล้วก็ถูกหลอกให้ยึดติดให้หวงให้ห่วงโดยไม่เคยรู้เลยว่าของต่างๆที่เราได้มานี้มันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของเราชั่วคราวเท่านั้นมันไม่อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว เขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปนี่คือความโลภโมโทสันเพราะขาดธรรมะแสงสว่างขาดปัญญาที่จะมาบอกมาสอนใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เราได้มาครอบครองมาเป็นสมบัติตั้งแต่ร่างกายของเรานี้ไปไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริง เป็นของเราเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเมื่อถึงเวลานั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในโลกนี้ก็จะต้องจากเราไปหมดเรานี่คืออะไรเราก็คือผู้รู้ผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดผู้ที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับสิ่งต่างๆที่เราสูญเสียไป แ่เราไม่รู้ตัวเราเราไปหลงคิดว่าตัวเราเป็นร่างกายเป็นแล้วของต่างๆที่เราได้มาเป็นของของเราพอเกิดการสูญเสียเกิดการพัรากจากสิ่งต่างๆไปก็ทำให้เราทุกข์ทรมานใจมีความรุ่มร้อนมีความวุ่นวายใจและจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด หลังจากที่เราสูญเสียร่างกายนี้แล้วไปเราก็จะไปได้รับร่างกายใหม่แล้วเราก็จะไปหลงยึดติดกับร่างกายอันใหม่หลงยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกับบริษัทบริวารที่เราได้มาใหม่พอเราสูญเสียเราก็เศร้าโศกเสียใจเราเป็นอย่างนี้มานับไม่ถ้วนแล้วและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบใด ถ้าเราไม่ได้เข้าหาพระพุทธศาสนาศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนสร้างพรมวิหารสีให้มีอยู่ภายในใจของเราถ้าเรามีพรมวิหารสีอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วใจของเราก็จะไม่มีไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่สูญไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเมื่อสิ่งต่างๆนั้นจากเราไปแล้วก็จะไม่ไปหาสิ่งต่างๆไม่หาไม่ไปหาร่างกายใหม่อีกต่อไปเพราะเห็นแล้วว่ามันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขทุกครั้งที่เกิดนานี้จะต้องแบกกองทุกแห่งความแก่ความเจ็บความตายแห่งการพัดพรากจากกัน เสมอไม่มีวันสิ้นสุดนะมีทางเดียวเท่านั้นก็คือต้องไม่ไปเกิดอีกต้องไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ไม่ไปหาทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองอีกต่อไปให้อยู่ในผมวิหารสีให้อยู่ด้วยเมตตากรุณามุดิตาโอเบขาใจที่มีธรรมทั้งสี่อยู่ในใจนี้ จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพออยู่ตลอดเวลาจึงไม่มีความอยากที่จะไปเกิดอีกต่อไปนั่นเองนี่คือการดูแลรักษากายวาจาใจของเราให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขด้วยการกระทาตามที่พระพุทธเจ้าทรง ส, งสอนก็คือให้คิดดีพูดดีทำดี ไม่ให้คิดบาปพูดบาปทำบาปและไม่ให้มีความโลภโกโรธสันอยู่ในใจของเราถ้าเราทำได้ทั้งสามประการนี้เราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความร่มเย็นไปไม่มีวันสิ้นสุดจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตที่จะ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 จ่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขร่ความเจริญด้วยอายุวันนะักสุขภพละโดยทั่วหน้ากันเธอ